ที่ท่านพูดว่าคำว่าโลกก็คือมูสัตว์สัตตะกรบแปลว่าผูกสัตตะแปลว่าผูกข้องยังติดยังข้องหายพระหายข้องเพียงตาวันก็ทราบกันแล้วท่านปานนาวัยตั้งหลายภพหลายภูมิเรื่อน่ตั้งแต่ภูมิ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 แต่นรกอวิธีอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งสถานที่เดือดร้อนวุ่นวายมากมาย่ายกองยังต้องไปนี่ห่อนักต่อสู้ทําไมอะไรทํำทําให้เป็นเป็นนักต่อสู้ก็คือมีเครื่องหนุนนั่นเองท่านเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องหนุนกามาพบรูปรรบร้ประครบอรูปประคบท่านพูดไว้กว้างๆสาม ในโลกเรานี้ก็มีมากน้อยเยียงไรใครจะเป็นนําได้เพียงในบริเวณวัดนี้มีจานวนมากเท่าไหร่สัตว์ที่ที่เกิดที่อยู่ในอที่มองเห็นด้วยตาเนื้อก็ก็มีที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อเป็นละเอียดแม่จะเป็นด้านวัตถุแต่มสามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อก็มีที่ไม่ที่ไม่ใช่ด้านวัตถุเป็นนามธรรมา พบเป็นนามธรรมภูมิเป็นนามธรรมก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องสัตว์โลกที่เกิดมันจึงมากมายกายกองมันผัดมันเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเลเล ย, เล ย, เล ย, เลยมันมากต่อมากถ้าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเนี่ยนี่แล้วเราจะหาที่เหยียบย่างไปไม่ได้เลยเต็มไปด้วยจิตวิญญาณเต็มไปด้วยพบด้วยชาติของสัตว์ประเภทต่างๆทั้งยาบทั้งละเอียดเต็มไปหมด แม้แต่ช่องลมหายใจของเรามันยังมีว่างในตัวของเรามันก็มีไม่เพียงแต่วิญญาณคือจิตของเราดวงเดียวเท่านี้ในร่างกายของเรานี่มันยังมีเป็นโคบเป็นสถานที่ของสัตว์ประเภทหนึ่งๆที่อยู่ในที่หนักมันมีอยู่หมดทุ่งแห่งทุ่งหนและแตอากาศกลางหาวมันก็มีใต้น้ํา บ, บนบกมีไปหมด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 มันอมันสูญไปจริงๆตายแล้วมันศูญไปจริงๆแล้วอะไรมาเกิดก็คือสิ่งไม่ศูญ น, นั่นเองถ้าให้มาเกิดอยู่เวลานี้แล้วเราจะเป็นโร ล, ล้างสิ่งที่มีอยู่ให้มันศูญไปได้ยังไงความจริงมันมีอย่างนั้นแล้วมีจะมีใครเป็นผู้ชะลานแหลมคมรู้รายละเอียดละออทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้ามีที่ไหนพวกเรานี่มันลูบคลำไปลูบคลำไป คำไม่เห็นก็ว่าไม่มีไปโดนเอาะที่อเนี่ยว่าสิ่งไม่มีน่ะไปโดนเอาร โ, โดนเอาเหมือนเราไปเหยียบขากเหยียบน้ําเหยียบอะไรนั่นเราเข้าใจว่าไม่มีในขนะที่เหยียบแต่แล้วก็น้ําที่เราว่าไม่มีนั่นแหละมันตักเราเนีเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าควรเชื่อแล้วหรือความรู้ความเห็นของตัวเองเ่ะแม้แต่น้บบําแําหยาบมันยังไปเหยียบถ้าเข้าใจว่ามีไปเหยียบทําไมนะ หัวต่อไปโดนมันทำใหม่ไม้ไปโดนมันทำใหม่ถ้าแน่ใจว่ามีใครจะไปกล้าโดนใครจะไปกล้าเหยียบหนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเรื่องเรื่องเจ็บนี่แล้วทาไมถึงได้โดนกันเรื่อยละ่ะกัพราะความส้าคันว่าไม่มีนั่นเองในขณะนั้นมันจะเหยียบย่างลงที่นั่นว่าไม่มีเวลาจะโดนก็เข้าใจว่าสิ่งที่มาโดนเรานั้นไม่มี มันก็โดนเพราะมันมีนั่มันมาอยู่ในความสัมพันธ์ของเรามันดูกับความจริงอันนี่ก็มันกันเรื่องพบเรื่องขาดเกิดถ้าเห็นตายเห็นอยู่เกลื่อนแผ่นดินอยู่เฉพาะในโลกของเรานี่ก็เห็นกันอยู่เกลื่อนแผ่นดินอยู่แล้วเราจะพิเสรณาเราจะไปลบล้างอะไรอีกว่ามันไม่เกิดมันตายแล้วมันศูญสิ่งที่มาเกิดนั้นอะไรมาเกิดถ้ามันศูญไปจริงแล้วมันมาเกิดได้ยังไงนั่น มันไม่สูนั่นที่มันถึงมาเกิดให้เห็นยเกิดให้เห็นตายเห็นนย่ น, นี่น่ะมีด้วยแนี้ยสิ่งไม่สูนั่นะมันจึงมีเกิดมีตายเห็นปิดทัดทัดเอาสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เชื่อพระเจ้าแล้วเชื่อเราเป็ไงนะความรูกกม้ความเห็นเราขนาดไหนถึงจะเชื่อตัวเองจนสา ม, มารถ ไปลบล้างความจริงที่มีอยู่ให้สูญไปตามความรู้สูกของตนทั้งๆ ท, ที่ตนไม่สามารถจะรู้นี่แต่ทำไมริงสามารถอาจเอื้อมไปลบสิ่งที่มีเมื่อเราไม่รู้เราไปลบทำไมมันโง่สองชั้นสามชั้นเรายังจะว่าเราฉลาดดูหรือยัอมีนักปราชญ์ที่ไหนบ้างที่จะมาสอนเราให้ถูกต้องแม็นจมตามหลักความจริงเหมือนพระพุทธเจ้าและเหมือนศาสนธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้นี้ เราจะไปหาที่ไหนเราไปหาที่หมดแผ่นดินโลกอันนี้ก็ไปหาที่ใครจะสอนให้ตรงแนวตามหลักเห็นความมีความเป็นความจริงดังพระพุทธเจ้าดังาศาสนาธรรมที่านสอนไวน้นี่เรายังไม่เห็นว่าเป็นของสําคัญอยู่หรอือโอวาทถ้าเรายังไม่เห็นโอวาทซึ่งเป็นของแท้ของจริงว่าเป็นของสําคัญตัวเราก็หาสาระอะไรไม่ได้เลยนั่นเองใ น, นขณะเดียวกันมันกำลังลบล้างสาระคุณอะไรทั้งเราออกหมด กายเป็นคนไม่ไม่สําคัญไม่มีสาระอะไรทั้งหมดไม่มีความหมายเลยเพราะสิ่งที่มีความหมายโลกเราไม่ให้ความหมายท่อนสิ่งที่จริงเราไม่ให้เป็นตามความจริงของเขาเนี่ยเราไปลบล้างเีจะหมดมันไม่มีอะไรเหลือทั้งๆที่จริงนั่นก็มีอยู่เพรทุกท่านสะท้อนกลับมาหาตัวเองะขาดทุนทั้งขึ้นทั้งร่อ ง, งนี่เป็นการดีมากวาสนาเรามีถึงได้มา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 ที่มันเป็นอย่างนี้มันจะมีเพียงประเด็นเดียวหรือไม่ถึงปรเซ็นกรรมศาสรถ้าเทียบคนทั้งโลกแล้วอเรานับข้อในจำนวนเปอร์เซ็นต์อันนี้แต่พอเรือไพอกันนับข้อในจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ว่าหนึ่งเปอร์เซนหรือไม่พอเปอร์เซ็นต์นี้เป็นฝ่ายที่ดีความเกิดความตายมันเห็นอยู่ช้นชานๆผ่านในจิตเพราะฉะนั้นขอให้เรียนเรื่องความจริงซึ่งมันมีอยู่ที่จิตมันเกิดยิตที่นั่นมันตายที่นั่นเชื่อให้เกิดเชื่อเหตุให้ต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 แต่ก่อนเราเข้าใจไม่มีแต่เมื่อไปเห็นด้วยตาเจอของแล้วเราจะพิเสดได้ไงเราเป็นคนเห็นเองทันลบก็ลบเราสิข้าวลูกตาเราออกเฮียลูกตานี่มันโกหกนะเราจะไปลบล้างอันนั้นว่าไม่มีเพราะสิ่งนั้นมันมีตาเราก็เห็นน่ะเนี่ยที่ลบล้างไม่ลงลบล้างไม่ได้เพราะเราเห็นด้วยตาของเราเองสิ่งนั้นมีอยู่จริงถ้า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 พอเพิ่มเรื่องความเกิดความหนับความเกิดความหนับอันมีเชื้ออยู่ภายในผลักดันให้มันออกมาแสดงตัวมันตาไม่ได้มันมีอัตภาพหนึ่งนี้มันก็อยู่เพียงแค่นี้ถ้าว่ามันสามารถที่จะเอาได้อีกสักกี่อัตภาพวันหนึ่งมันจะได้เป็นล้านล้านอัตภาพนู่นคนคนหนึ่งอ่ะเพราะมีความติดความข้องความรักความชอบใจรักก็ติดชังก็ติดโกรธก็ติดเปรียดก็ติดไงอะไรอะไรมันติดทั้งนั้น อ้าวคำติดอะไรแล้วให้เป็นภพเป็นชาติขึ้นมาตามความจิตตามความติดของใจเราเลยวันหนึ่งจะมีกี่ล้านอัตภาพให้ตัวของเราเองนะแต่นี้มันได้อัตภาพอันเดียวเท่านั้นมันเป็นเพียงมาติดเป็นเพียงมายึดอยู่ตัวจิตนี้มันไม่อาจเลื่อมที่จะถอนออกจากอัตภาพนี้ไปเข้าชูในสิ่งที่มันติดนั้นได้มันจะมีเพียงอัตภาพเดียวนี่นี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้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 ได้แต่ดีชั่วที่ปรากฏขึ้นจากจิแล้วเราจะปฏิเสธได้อย่างไงเมื่อจิตมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เห็นชัดๆภายในตัวของเราเองทานเรียนจึงเรียนลงที่นี่เมื่อเรียนลงไว้ที่นี่แล้วก็รู้ชัดเจนโดยลำหนักลำหนักอันใดที่มันปล่อยเมื่อมีความสามารถอาจรู้โดยสติปัญญาแล้วมันปล่อยให้มันไปเองปล่อยแล้วอันนั้นไม่มีอันนั้นไม่มีปล่อยแล้วอันนั้นไม่มีค่อยหมดไปหมดไปหมดเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามา ปล่อยตัง้งแต่วงกว้างเข้ามาวงแคบปลอยเข้ามาปล่อยเข้าม า, า, มาจนกระทั่งมันเหลือ น, นิดมันก็หลูนี่เชื้อแห่งภพยังมีอยู่ภายในใจนี่แหละเชื้อแห่งภพคือเรื่องจะเกิดน่ะบอกแล้วบอกในวิลยจิตนั้นรู้ทัดๆนี่เราจะลบได้ยังไงว่าจิตเมื่อตายไปแล้วจิตจะไม่พาเกิดอีกนันรู้อยู่อย่างนั้นเห็นชัดนางมีมากมีน้อยเมื่อดำเนินเข้าทางด้านจิตใจมันจะเห็นมากน้อยตามส่วนของมัน ด้วยปัญญาไม่มีอะไรที่จะรู้ชัดเห็นทัดแจ๋แหลมคมยิ่งกว่าสติกับปัญญามันตามรู้หมดอันใดที่มาเกี่ยวข้องกับปิกจิต จ, จะเป็นสาเหตุให้ไปจิตจะไปเกิดที่นั่นหรือไปรับประทังนี่มีอะไรเป็นสาเหตุมันรู้ทั้งสาเหตุด้วยเนี่ยเมื่อรู้ทั้งสาเหตุแล้วมันก็ตัดได้ตัดได้เป็นลํำดับลํำดับจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยตัดขาดออกจามดโดยประการทั้งปวง ที่นี่ก็ทราบชาตว่าไม่มีเงื่อนต่อแล้วกับจิตนี้ที่นี่จิตนี้สูญไหมยนั่นซ้ำกับอีกสิ่งหนึ่งไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วหมดแล้วเรื่องความที่จะไปตาจะเกิดต่อไปอีกนี้เป็นอันบ้าหมดปัญหาแล้วกับจิตตรงนี้ที่นี่จิตดวงที่หมดปัญหานี่มันศูญไหมยนั่นอีกย้ำลงไปอีกมันยิ่งเด่นน่ะแล้วอะไรมาศูนญนี่แหละความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วจะอะไรมาศูญมันยิ่งเด่นเด่นยิ่งกว่าแต่ก่อนอเด่นจนพูดไม่ถูกฮะ มันขาดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขึ้นชื่อว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิดให้พาเกิดคาตา้พารับพาสั่งพายุ่งเหยิงวุ่นวายมากน้อยตามส่วนึ่งื่องมันที่มีอยู่ภายในใจได้หมดชิ้นไปแล้วไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วอแล้วผู้ที่ไม่มีเงื่อนต่อตนเองคือผู้บริสุทธินี้ศูนย์ไปไหมถึงน า, าน อ, อบตนี้อ่ะอมทัดๆอย่างนี้ แล้วจะลบได้ไหมลบความจริงที่มันรู้อย่างเนี้ยลบได้ไหมให้ศูนย์ได้ไหมแหนใครจะไปลบก็รู้อยู่ก็ ก, ก็เรียนเพื่อความจริงจริงยังไงก็ต้องดูอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจะไปลบมันได้ยังไงนี่แหละความเบิสุดที่ไม่ต้องเกิดคืออันนี้แล้วอันนี้จะศูนย์ไปได้ยังไงจริงใครจะมาตั้งอยู่เหมือน หม้อหายไตผ่านแล้วนี่มันตั้งไม่ได้เพราะไม่ใช่หม้อมันจิตจิตธรรมดากับจิตบริสุทธิ์มันผิดกันอีกผิดกันมากมายเราจะมาตั้งให้เห็นว่านี่มีอยู่อย่างนี้่นี้มันไม่ได้อีกเพราะไม่ใช่ฐานะของจิตประเภทนั้นที่จะมาตั้งแบบนี้มีอยู่แบบนั้นเองแบบบริสุทธิ์นี่ที่ท่าน ที่ท่านว่านิพพานังปรามังสูญยังนะสู์แบบนี้เองแบบที่ว่านี้ขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งปวงอศูนย์สิ้นไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้นิดปรามันมุไม่มีเหลือเลยท่านจึงเรียกว่าศูญผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายศูนย์ไปแล้วจากใจนั่นแหละ คือตัวจริงนละนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์ผู้นี้จะสูญไปได้อย่งไรผู้นี้จะสูญไปไหนที่นี่ยิ่งเด่นยิ่งชัดยิ่งเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างอผู้นี้ไม่สูญนั่นนี่แหละผู้นี้แหละเป็นผู้รับคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมในบทที่สองว่านิพพานนางปรามังสุ ข, ขังคือผู้นี่แหละผู้ไม่สูญผู้บริสุทธิ์นี่แหละ เป็นที่ว่านิพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายถึงปิดธรรมชาตินี้ดวงนี้แหละหากว่าสูญโดยจริงแล้วทําไมบททําบทนี้จะขึ้นรับกันไม่ได้จะอะไรมารับมันสูญหมดแล้วจะอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งได้หรือเนีย่ยโลกคือหมูสัตว์หมูสัตว์ตรงนี้เองตรงที่มีเชื้อให้เกิดดูภายในจิตนี่เองท่านเรียกว่าหมูสัตว์ เกิดทั่วโลกดินแดนอ้ายทั่วโลกดินแดนก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่มีอันใดเป็นผู้เกิดผู้ตายที่เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ความลําบากชาติไปดูขาชะละไปดูขามานําไปดูขังอธรรมชาติอันนี้เองพอได้ถูกชาระหมดไม่มีอะไรบรรดาที่เป็นเชื้อบรรดาที่เป็นข้าสุดแล้ว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 สักขาโตัวพระกวตาธรรมโมพระธรรมอัน พ, พระผู้ยิ่ภาคเจ้าตรักไว้ชอบแล้วหนักทั้งสิทชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นเป็นอาธิกรณีนยนังเฮยไพระเพราะพิ้งเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลทั้งเบื้องต้นมัชเชกนิยานังไพระเพราะพิ้งเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามทั้งทรามกลางไยโยนไะยโยสารนกักนิยานังไพระในที่สุด คือทราบซึ้งเป็มไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยความถูกต้องดีงามไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ตำหนิติเตียนผระธรรมที่จักไปชอบแล้วนั้นสิ่งที่น่าติเตียนและสิ่งที่น่าจะต้องแก่น่าแก้ไขยอย่างยิ่งก็คือจิตคือพวกเราผู้ฝืนหลักแห่งตัวขาธรรมอยู่ตลอดเวลาก็คือพวกเราผู้มีกิเลสกิเลสพาให้ฝืน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 ทำท่านไม่รับเออทำทำท่านเป็นธรรมแต่พุทธเจ้าท่านไม่รับสาวกท่านไม่รับผู้ที่รู้ชอบตามหลักสุขาธรรมมีแล้วไม่มีใครจะมารับเคราะ์รับกรรมอย่างพวกเราที่ฝืนธรรมนี้เพราะญาติจิงให้เห็นโทษแห่งความฝืนธรรมของตนว่าเป็นของไม่ดีมีแต่เรื่องความทุกข์มากน้อยตามความฝ่าฝืนด้วยอำ น, นาจของกิเลสท่าให้ฝืนนั้นแล้วพยายามแก้ไขดัดแลปลงหรือปึกทรมานชําระต่างๆสิ่งที่ มันทาให้ฝืนนั้นออกจากจิตใจแล้วเราจะได้คล้อยตามธรรมชาบซึ้งในธรรมไปเลยด้วยความชาบซึ้งในธรรมนั่นแหละคือกิเลสมันเบาบางลงไปแล้วเราจะมีความชาบซึ้งดื่มด่ำมีความพอใจ บ, บําเพ็ญศีลบาเพ็ญธรรมถ้ามีตัณฑ์กิเลสล้นล้นเต็มพอใจแล้วไม่มีใครอยากจะสนใจเรื่องอัดเรื่องธรรมเลย น, นี่แล้วว่าเรามีวาสนาเรามีความชอบความพอใจ จากไปวัดไปวาไปบําบเพ็ญศีล เ, เ, เป็นเป็นทานบําเพ็ญภาวนานี่คือว่าที่เดือดของเราเบาบางลงแล้วเรามีช่องมีทางที่จะไปมีความดูดดื่มมีความพออกพอใจมีความเกื่อความร่มไกในธรรมนี่เป็นเรื่องของธรรมธรรมรัตธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจของเราทิเดือดมันมีก็จริงแต่ฝ่ายธรรมของเราก็มีพอต่อสู้กันทางนี้แต่เรื่องของทิเดือดร้วนๆแล้วขึ้นชื่อว่าความดีนิ่ม มันถือว่าเป็นการทํายากทั้งนั้นแล้วไม่สนใจจะทำํำสนใจจะเรื่องจะปีนเปลี่ยวกับความจริงความถูกต้องดีงามโดยไถ่ยเดยียวจึงรับเอาตั้งแต่ความทุกข์ความลําบากมาใส่ตนไม่ว่าจะอยู่ภพใดแดนใดชาติใดภาษาใดมีแต่ความทุกข์เพราะใจนั้นมันไม่มีชาติท่านมันนะไม่มีภาษามันเป็นแหล่งขีดแห่งกรรมทั้งหลายและเป็นครังแห่งวิบัติคือผู้รับผล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 ต้องฝืนต่วนกิเลสนี้ต้องฝืนเพราะกิเลสเคยผืนเรามานานแล้วเคยบังคับเรามานานแล้วคราวนี้เราได้อาดได้ทํามาจากพระพุทธเจ้าจากครูจากจาอาจารย์เอานี้เป็นเครื่องมือสู้กับกิเลสสู้ไม่ถอยขึ้นชื่อว่าสู้แล้วมันจะต้องมีที่แรกเรายอมแบบหมอบราบเลยพ้าไม่สู้ทีนี้ขั้นตอนมาเราสู้ แม้จะมีแพ้บางก็าตามอ่าขึ้นชื่อว่าสู้แล้วยังดีคราวนี้แพ้เอากำลังมันยังไม่พอก็ต้องแพ้เอาผิดใหม่สู้เรื่อยสู้ไปสู้มาชนะไปเรื่อยชนะไปเรื่อยแต่ความชนะมีมากขึ้นมากขึ้นต่อไปความแพ้จะไม่มีนานฟังสิทาไมมันเป็นอย่างนั้นละ่ะผิดตรงนี้ขึ้นชื่อว่าคําแพ้แล้วให้ตายเสียดีกว่าดีกว่าอย่าให้เหลือเลยซากอัตภาพนี้ให้ตายจะดีกว่าที่จะมาเจอความแพ้ ขอให้ชนะโดยถ่ายเดียวเท่านั้นในจิตนี้ไม่ชนะให้ตายนั่นฟังดิเด็ดไหมจิต ด, ดวงเดียวนั่นแหละดวงที่อ่นแออ้วดวงที่ร้มรูกคุ่คารานั่นแหละเวลาพิดตัวขึ้นพิดตัวขึ้นด้วยอดด้วยธรรมนะครับการสุกผลอบรมมีกาลังบังชาทางความรู้ความฉลาดตลอดถึงผลที่ได้รั บ, บก็ประจักษ์กับใจนั่นแหะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจถึงท่านที่ว่าให้ตายจะดีกว่าที่จะเจอความแพ้ไม่ประสงค์อีกแล้วเรื่องความแพ้นี้ไม่เป็นของดีเลย สับแพ้กันก็ยังไม่ดีเขาแข่งกีฬากันแพ้กันผู้ที่แพ้ก็ต้องเสียใจแม้จะคํามาเล่นก็ตามมันยังเสียใจมีเรื่องของมตรคตรงสารเรื่องความเกิดความตายเรื่องกิเลสกับเราเป็นเรื่องอความทุกข์ควาทุกข์แท้ๆแล้วการแพ้สิ่งเหล่านี้เป็นของดีแล้วเหรอือนั่นเอามาคิดดิไม่ใช่เป็นของดีเลยเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายทําไมจะยอมแพ้มันได้ เ, เรื่อยล่ะเอาให้สู้ให้ได้นี่จนกระทั่งชนะได้เป็นลําดับ ล, ลํำดับและ ไม่มีคำว่าแพ้จงกระทั่งชนะไปเลยอนี่เป็นผู้ ร, รักษาถ้าลงมาชนะไปเลยแล้วทีนี้อันเรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนั้นมันหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยลอ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้นที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูนานรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีเรื่องความสงสัยเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนฮ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 เราไม่ฝืนเราไปความดีมีเราเสาหวี่ยหมยัเราจะให้ไปแบบที่แบบหมดท่านะถ้าไปหมดท่าอยู่ก็หมดท่าอะไรหมดท่าทั้งนั้นชิ้นท่าทั้งหมดคนชินท่าเป็นของดีแนละ้วเหรอความชิ้นท่าอะไรแครเป็นของดีเรารู้อยู่ทุกกฎพยายามสร้างจิตใจเป็นของแก้ไขได้มันทั่วแก้ให้ดีก็ได้ทําไมจะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้บรริจ่าจะบริสุทธิ์ได้ยังไงบาปมีด้วยกัน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 ความทุกความลําบากนี่เลยแม้แต่ศาสตร์เขาอย่างตัวทําไมมนุษย์ฉลาดกว่าเขาจะไม่กลัวเรื่องทุกข์จะไแบกขามอยู่ทําไมทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่เนี่ยยากพ้นจากทุกข์อยู่ทาไมไม่พ้นไปเสียถ้าว่าความอยากนั้นสาเร็จประโยชน์กาให้พ้นไปได้เนี่ยมินไม่ขึ้นอยู่กับความอยากทั้งท่านขึ้นอยู่กับการกระทําขึ้นอยู่กับการก้าวเดินเราจยากไปถึงที่นั่นเราก็ต้องก้าวต้องตายมันก็มีเวลาถึงถึงที่นี่อถึงที่นั่นถึงอย่างถึงที่นุ่นเนี่ย ถ้าถึงจุดหมายปลายทางเ ย, ยนๆนั้นลุกขม้าเจติน่ะคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไได้โดยลําดับลาดับเพราะความเพียนพยายามนี้เป็นหลักใหญ่นี่หล่ะเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ได้เป็นสักดาษของโลกเพราะความเพียนไม่ใช่เพราะความทอถอยอ่อนแอเราเป็นลูกสิทธิฐานคตพุทธบริษัทจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงลูกท้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้า แล้วพระองค์พาเราดําเนินยังไงเพระองค์เดินก้าวหน้าแล้วเดินถอยหลังเนี่ยมันก็เข้ากันไม่ได้ เ, เดินก้าวหน้าเราก็ต้องก้าวหน้าไปแต่ชานินี้เลวก็าตามขอให้ความพยายามของเราเป็นไปตามตติกําลังความทุนของเร า, เราอย่าลดละความเพียรเท่านั้นก็เชื่อเป็นลูกศิษย์ที่มีครูสอนดําเนินตามครูศาสนาเราสร้างทุกวันทําไมจะไม่เจริญ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 สู้อะสู้ไปแพ้ไปบ้างชนะไปบ้างเนี่ค่อยสับเงนไปล้านทั้งแพ้ทั้งชนะสับเงินไปทีเขาทีเราเรื่อยไปต่อไปก็ทีเรามากกว่าทีเขาต่อไปทีเรามากเขามากเขามากเขามีแต่ทีเราอืาพ้นกิเลสมอบอนอกจากหมอลักห้าที่หายหมดไม่มีอะไรเหลือผ่ากิเลสแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความพ้นทุกข์พ้นอยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสชาอยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดเลย เราจึงเมื่อควรมองเห็นเรื่องของกิเลสว่าเป็นของเล็กน้อยก็คือเรื่องของทุกข์นั่นเองมองให้มันซึ้งๆมันอยู่ในใจของเราเนี่ยมองให้เห็นที่นี่ฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ฆ่ากันที่นี่ตายกันที่นี่ไม่ต้องเกิดกันที่นี่แหละนี่ที่สิ้นทุกข์ก็อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่อื่นใดขอให้พากานนาไปพิณิพิจารณาบำเพ็ญคุณงามความดีหยาดรดละความภาคความเพียร